ระหว่างที่กำลังนั่งพักชั่วคราวกันอยู่นั้นหนานอินเข้าไปซุบซิบหาเรืออะไรอยู่กับอนุชาครู่หนึ่งน้องชายกลางก็หันมาทางพี่ชายใหญ่และเพื่อนบอกเบาๆว่าอางนี้ดีไหมระยะทางมันก็ใกล้ๆแค่นี้เองระหว่างที่น้อยนอนพักอยู่ที่นี่ให้ผมกับหนานอินล่วงหน้าไปที่ห้วยเสือร้องก่อนพวกนั้นจะได้รู้ตัวและจับหาที่พักไว ผมจะทิ้งขยินไว้ให้ทางนี้คนหนึ่งเพื่อช่วยนำทางกันผิดพลาดพอน้อยมีแรงก็ ย, ยังชั่วขึ้นค่อยตามไปสมทบซึ่งทางโน้นก็จะได้จัดเตรียมอะไรไว้เรียบร้อยแล้วเช่ดถามองหน้าและคิดอย่างคนละเอียดส่วนชยันติงว่านี่ในกลางนายแน่ใจเหรอว่าการแยกทางไปก่อนจะเป็นการปลอดภัยสำหรับเราทั้งสองฝ่าย สำหรับแกกระหน่ำนอินน่ะไม่เป็นไรหรอกแต่ทางด้านนี้เหนะ็น่ะเชื่อว่าคงไม่มีอะไรหรอกระยะทางมันก็เหลือแค่สามกิโลเมตรเป็นอย่างมากเท่านั้นไม่น่าจะเกิดอะไรขึ้นแม้จะว่าอันที่จริงละแวกนี้มันก็เป็นละแวก ข, ของพวกคุวยสือร้องแล้วละ่ะบางทีเราอาจจะพบพวกที่นั่นออกหาของป่าเดินสวนมาก็ได้นี่สุภาพบุรุษในราชสกุลซึ่งเข้าใจน้องชายดีอยู่แล้วก็พยักหน้า ตัดสินใจง่ายๆอะตกลงกลางเธอกันหนันอินล่วงหน้าไปก่อนก็ดีเหมือนกันไปเดี๋ยวพวกพี่กับลูกหาบจะตามไปแต่ระหว่างที่สองคนออกเดินล่วงหน้าไปนั้นทุกๆุสามนาทีขอวิทยุติดต่อมาให้ได้ได้ยินไหมจะได้รู้เรื่องใกล้ชิดกันตลอดจะได้ไม่ต้องกังวลครับได้ครับพี่ใหญ่ผมจะวิทยุรายงานข่าวมาทุกๆุสามนาที ที่เดินไปและจะแจ้งให้ทราบทันทีที่ถึงหมู่บ้านของซองกะเลาครับถ้างั้นก็ล่วงหน้าไปก่อนได้เลยเชษฐาอนุญาตอนุชากนันอินอันเป็นพรานคู่ชีพมาแต่ไหนแต่ไรลุกขึ้นยืนทันทีโดยเฉพาะนันอินตะโกนสั่งความไปทางขยินเจ้าอาดีตนักเลงโตหลมช่างพยักหน้ารับทราบในคำสั่งก่อนจะเดินผลาไปอนุชาหันมาบอกกระเชษฐาและช ย, ยันว่า พี่ใหญ่ครับแถวนี้เสือชุมนะครับแต่ก็ไม่ดูร้ายอะไรนะักเพราะมีสัตว์เป็นอาหารมันมากยกเว้นก็แต่ว่าจะมีพรานหมู่บ้านยิงเจ็บไว้ก็อาจจะต้องระวังกันหน่อยแต่ผมคิดว่าไม่มีอะไรพวกร้ อ, รองถ้าไม่จําเป็นเขาจะไม่ยิงเสือครับท่านหัวหน้าคณะโบกมือให้น้องชายแล้วอนุชากนันอินก็เดินดุมดุมขึ้นเนินไป ในชั่วไม่กี่อึดใจเชิฐากับชยันพลอยเหยียดเท้าทอดกายพักครึ่งนั่งครึ่งนอนพิงหินโดยพวกลูกหาบมีโอกาสได้พักด้วยขยินออกเดินตรวจ ด, ดูรอยในละแวกใกล้ๆไม่ให้พ้นสายตาของหมู่คณะและให้คำรับรองกับท่านหัวหน้าคณะว่าจะไม่มีอันตรายใดๆในตำแหน่งที่พักกันอยู่ และในทิศทางที่พรานชดกนะนนินล่วงหน้าไปก่อนแล้วโดยยืนยันตรงกันกับที่อนุชาได้บอกไว้ก่อนแล้วดารินคงนอนภาวานา น, นิ่งอยู่เช่นนั้นหรือจะดูอีกทีหนึ่งหล่อนสงบจิตเพื่อพักผ่อนเอากำลังจริงๆโดยไม่ได้ขยับขยื่อนหรือลุกขึ้นมาแสดงความเห็นอะไรในขณะที่พี่ชายกลางขอแยกตัวล่วงหน้าไปก่อนเลย สานาทีตรงเผิงตามที่นัดแนะกันไว้เสียงอนุชาเรียกมาทางวิทยุรายงานให้ทราบสั้นๆว่ากำลังรุดหน้าไปเรื่อยๆและบอกเส้นทางให้ตามรอยที่ใช้มีดฟันกิ่งไม้ไว้เชิดาตอบรับทราบแล้วอีกสามนาทีต่อมาก็รายงานมาว่าได้พบลูกบ้านห้วยเสือร้องสามคนออกมาตัดไว้และอยู่ในระหว่างการสนทนาซักถามความกันพร้อมทั้ง เดินบ่ายหน้าเข้าหมู่บ้านไปกับพวกตัดไว้ด้วยแต่ประโยคหลังสุดเป็นความตื่นเต้นของเชษฐาและชยันข่าวดีมากครับพี่ใหญ่ไอ้สามคนที่เราพบนี่บอกคร่าวๆให้รู้ว่าคณะของรพินมาพักอยู่ที่ห้วยเสือร้องนี่หนึ่งคืนก่อนจะออกเดินทางเข้าเขตนรกดำแล้วก็เพิ่งล่วงหน้าไปก่อนเราเพียงแค่สองวันเท่านั้นเองครับเสียงที่แวดออกมาจากลำโพงวิทยุมือถือ ที่เชษฐาและชยันเปิดรับฟังอยู่ทำให้ชยันแทบลุกขึ้นเต้นร้องลั่นออกมาว่าเฮ้ยจริงเหรอส่วนเชษฐาตาเป็นประกายพูดอะไรเร็วปรือกับน้องชายลั่นไปหมดและดารินวราริตผู้กำลังนอนพนมมืออยู่ก็ดึงกายขึ้นนั่งทันทีมันก็บอกอะไรเราไม่กระจ่างนักหรอกครับเสียงแสดงความยินดีของอนุชาดังมาอีก อย่างรวดเร็วแต่ก็บอกว่ามีกะเหลี่ยงบาดเจ็บที่มากับคณะของระพินชื่อสเสงอิงซึ่งรู้เห็นเหตุการณ์อะไรมากที่สุดพักพื้นรักษาตัวอยู่ที่หมู่บ้านนี่พร้อมกับกะเหลี่ยงอพยพจากตะเคียนทองที่ระพินกว่าต้อนมารวมกลุ่มอยู่ที่ห้วยสลสือร้องนี่ด้วยโบมีะในบ้านตะเคียนทองก็อยู่ที่นั่นโซกาเล่ในบ้านห้วยเสือร้องก็อยู่ถ้าพบพวกนั้นเมื่อไหร่ ทุกสิ่งทุกอย่างจะกระจ่างชัดทันทีในเส้นทางที่ผ่านมาแล้วของระพินอันเราสงสัยคลางแคลงอยู่แต่สามคนนี่มันบอกอะไรเราไม่ได้รายละเอียดนักแค่เป็นเราๆเท่านั้นเองเลิกก่อนนะครับผมจะพยายามถามมันไปในระหว่างทางด้วยครับเชิฐาและชยยันยิ้มออกมาได้ทันทีในขณะที่ดารินผู้ได้ยินเสียงโต้ตอบอยู่ตลอดเวลามีดวงตาแจ่มใสขึ้น ชัยันหันมาเขย่าแขนน้อยเราพิล่วงหน้าไปก่อนเราตั้งเจ็ดปดวันกว่าเราจะออกตามแต่ตำแหน่งสุดท้ายที่ห้วยเสือร้องข้างหน้านั้นความจริงปรากฏออกมาแล้วว่าเราปวดไล่หลังเขาโดยย่นระยะเวลาเข้ามาหรือแค่สองวันเท่านั้นเองพวกนั้นออกจากห้วยเสือร้องไปเมื่อสองวันนี้เองชยัยยูแบบนี้ก็มีหวังตามทันแล้วดีใจจริง การอ่อนระหวยโรแรงของดารินแทบจะหายเป็นปลิดทิ้งผวาเขากอดชัยยันและพี่ชายใหญ่ไว้ดีใจจนน้ำตาไหลออกมาอีกและล่ำาละลักออกมาว่ามันมันมันเป็นไปได้ยังไงกันเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยว่ารพินออกจากคุ้ยซิร้อกไปเมื่อสองวันที่แล้วมันเป็นไปได้น้อยเพราะตลอดเส้นทางคณะของรพินมีการเสียเวลาล่าช้าอยู่เรื่อย ตามที่เราสันนิษฐานจากร่องรอยที่พบกันมาแล้วนะ่ยยิ่งเสียเวลาเท่าไรก็ยิ่งทําระยะทางไม่ได้มากเท่านั้นส่วนพวกเราที่กลัวตามหลังมาเนี่ยไม่มีการเสียเวลาเลยแม้แต่วันเดียวเราจรึงไปได้เร็วกว่าเขามากในเส้นทางที่ผ่านมาเชษดาตอบยิ้มยิ้มเริ่มเต็มไปด้วยความหวังเจ็ดปวันที่ล่วงหน้ามาก่อนแล้วมาพบว่าสองวันเท่าที่เขาออกจากห้วยเสือร้องเนี่ย ดารินพืมพำมกัดริมฝีปากแน่นแล้วเราก็กำลังจะเข้าถึงห้วยเสือร้องอยู่ข้างหน้านี่แล้วแล้วเราจะเสียเวลาอยู่อีกทำไมล่ะคะพี่ใหญ่น้อยแข็งแรงดีแล้วคะ่ะรีบออกเดินตามหลังพี่กลางไปเดี๋ยวนี้เถอะคะ่ะพร้อมกับกล่าวอย่างปีติหม่อมราชวงศ์สาวหันไปคว้าไรเฟิลของหล่อนทันทีและผุดลุกขึ้นยืนอย่างเร็วที่สุดพระละกําลังกลับคืนมาอย่างประหลาด มันมีอยู่นับเป็นสิบๆคำถามที่หล่อนจะต้องสอบถามเอาความกระโบเมียซอกะเล่และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสเสอซึ่งได้รับคําบอกเล่าคร่าวๆจากอนุชาว่าเป็นคนเจ็บที่มากับคณะของระพินอย่างเร่งด่วนแข่งกับเวลาเป็นพิเศษดารินและคณะที่อยู่เบื้องหลังเริ่มเคลื่อนที่โดยเร็วจากการออกนําแกะรอยไปอย่างชํานาญของขยินซึ่งอนุชาทิ้งไว้ให้ เชษฐาวิทยุแจ้งให้น้องชายกลางทราบก่อนว่าขณะนี้ทั้งคณะเริ่มออกเดินตามหลังมาแล้วน้อยเรียบร้อยดีแล้วหรอครับพี่ใหญ่เสียงอนุชา ย, ย้อนถามมาอมืรู้สึกว่าจะแข็งแรงขึ้นในทันทีทีเดียวละ่ะที่ได้ยินข่าวที่แกบอกมาเมตกี้เนี่ยตอนนี้น่ะเดินตัวปลิวเลยชยันเป็นผู้บอกไปแทนดีมาก ความหวังของเรานะ่ะเริ่มมองเห็นแสงแล้วไม่ต้องรีบนะักเดินตามสบายแล้วกันย้ำอีกครั้งนะให้น้อยเดินอยู่กลางขบวนแล้วก็ให้ขยินเป็นผู้นําอ่ะเลิกก่อนนะอย่าเพิ่งถามอะไรเลยจะรายงานให้รู้อีกครั้งหนึ่งเมื่อเข้าถึงหมู่บ้านแล้วนั่นเป็นประโยคล่าสุดของอนุชาแล้วก็ไม่มีคําตอบใดๆมาอีกแม้ว่าดารินจะพยายามวิทยุสอบถามข้อความไปก็ไม่มีเสียงตอบ ทุกคนเดินผ่านมอสูงขึ้นมาแล้วและกำลังจะบ่ายหน้าลงมองเห็นป่าไหวเป็นดงอยู่เบื้องหน้าขายินนำรุษไปอย่างชำนาญเยี่ยมและคอยโบกมือเป็นสัญญาณให้ตลอดเวลาทิ้งระยะห่างไม่ไกลนะักประมาณ20นาทีหลังจากนั้นก็เริ่มตัดออกสู่บริเวณพื้นทุ่งอันเป็นไร่ซากเต็มไปด้วยต้นข้าวฟ่างและลูกเดือย ที่เหลือไว้แต่ความเหี่ยวเฉาคงมีแต่ยาคาเท่านั้นที่สอดแซมเต็มไปหมดวิทยุจากอนุชาจึงดังรายงานมาอีกว่าเรียกทุกคนครับเรียกทุกคนได้ยินแล้วว่างไงกลางพี่ชายใหญ่ตอบไปในทันทีขณะนี้ผมเข้าถึงกลางใจกลางหมู่บ้านแล้วนะครับ สกเละกาโมโบเมียกําลังออกมาต้อนรับพร้อมกับพวกลูกบ้านเกือบทั้งหมดผมกําลังให้เขาจัดเตรียมหาที่พักสําหรับเราในวันนี้และกําลังสอบความกับเขาขอให้ทุกคนเดินตามเส้นทางมาเรื่อยๆนะครับขณะนี้อยู่ที่ไหนล่ะครับเรากําลังอยู่ในระหว่างไร่ซ่ากเก่าๆทับเส้นทางเดินของเธอกระลุงอินไปนั่นแหละเท็ดเชิดขารีบบอกออกไปทันที ถ้างั้นก็ตามมาเรื่อยๆครับอีกไม่เกิน15 2หรืนาทีก็จะถึงเขตหมู่บ้านละผมจะให้เกรเรียงที่นี่เดินสวนออกไปรับนะครับอนุชารอบคอบเสมอในเรื่องเช่นนี้และในฐานะที่เป็นนักบุก ป, ป่าฝ่าดงมาก่อนจึงเป็นที่แน่นอนว่าพวกชาวป่าชาวเขาส่วนมากมักจะต้องรู้จักเขาดีทั้งสิน้นหรือถ้าบางเอินเขาไม่รู้จักมาก่อนนานอินก็จะต้องรู้จักโดยทั่วหมด ดารินพยายามจะใช้วิทยุติดต่อกับพี่ชายกลางอีกแต่ดูเหมือนว่าอนุชาจะปิดวิทยุของเขาลงซะแล้วไม่ประสงค์จะโต้อตอบใดๆอีกทั้งสิน้นโดยรอให้คนเหล่านั้นเข้ามาถึงหมู่บ้านซะ ก, ก่อนช่วงไม่นานหลังจากนั้นเสียงขยินผู้เดินนำอยู่เบื้องหน้าก็ตะโกนเป็นภาษาของตนโกเวกโกเวกทักทายอะไรกับใครลั่นไปหมด เมื่อตั้งแลไปเบื้องหน้าตามเส้นทางด่านในระหว่างหมู่ไม้ที่เริ่มจะบางตาลงก็เลยเห็นพวกกระเรียงประมาณห7เจคนเดินสวนตรงเข้ามาอย่างรวดเร็วพวกนั้นร้องตอบคำทักของ ข, องขยิงจอกแจกไปหมดและเมื่อเข้าถึงตัวซึ่งกันและกันพวกที่ออกมารับจากหมู่บ้านก็ตรงเข้าช่วยพวกลูกหาบแบ่งเบาภาระแบกหามในทันทีอย่างยินดีและด้วยอาการต้อนรับอย่างเต็มที่ พวกนี้จะต้องรู้จักขยินดีมาก่อนแล้วล่ะเนี่ยเชิดาบอกเบาๆกับเพื่อนชายและน้องสาวขณะที่พยักหน้าให้ดูอาการผูจาทักทายของขยินกับพวกนั้นอันล้วนเป็นชายชะกันแข็งแรงทั้งสิน้นดารินเร่งฝีเท้าขึ้นไปอีกแต่ชายันเหนี่ยวแขนไว้ให้เดินไปพร้อมๆกันเปิดทางให้พวกลูกหาบบกัขยินและพวกที่มารับล่วงหน้าไปก่อนหนี่น้อยอย่าเพิ่งไปซักถามอะไรพวกนั้นก่อนเลย เอาให้ถึงที่ซะก่อนเธอสงสัยอะไรก็มีเวลาซักถามคุยกันได้ทั้งวันเลยให้พวกลูกหาบทาเวลาเร่งไปก่อนนะ่ะดีแล้วจะได้เตรียมจัดที่พักหุงหาอาหารวาให้พวกเราชายันผู้กะหล่อนอย่างปลอบใจดารินบัตตนี้มีสีหน้าตื่นเต้นและยิ้มแจ่มใสออกมาได้หลอนมองดูภูมิประเทศที่ผ่านไปด้วยสายตาพินิษตื่นตื่นห้ยเสือร้องอะเนี่ย หญิงสาวพึมพำออกมาเบาๆเหมือนจะพูดกับตนเองการมาตามพี่กลางครั้งก่อนนี่ระพินไม่ได้นําเราผ่านมาในเส้นทางนี้เลยแต่ฉันจําได้จําถึงคําบอกเล่าของเขาก็ตําแหน่งห้วยสือร้องนี่แหละที่เขาเล่าว่าครั้งหนึ่งเขามาพักแรมอยู่แล้วก็ได้พบกันในวินนักเสียงโชคชาวพมา่าสมสานมาตกอยู่ในความช่วยเหลืออุปการะของเขา และในที่สุดเนวินก็ตายไปพร้อมกับมอบลายแทงอันนั้นนำเราผ่านมรรกดำเข้าไปจนถึงเทือกพระศิวะมรกฎนรครขุมเพชรแห่งมหาอุมาเทวีแล้วในที่สุดก็ได้ตัวพี่กลางกลับคืนมาเชฐฐาและชญชัยยันไม่ได้ยินเสียงพูดแผ่วแผ่วเบานั้นเหมือนรำพึงของน้องสาวคนเล็กและก็ไม่ได้สนใจอะไรอีก นอกจากเดินตามหลังพวกนั้นไปด้วยความรู้สึกแห่งโชคชัยเป็นครั้งแรกและที่สุดขบวนทั้งหมดก็เข้าถึงหมู่บ้านห้วยเสือร้องตามจิตนาท่ากลางการออกมารอคอยต้อนรับของพวกในหมู่บ้านทั้งลูกเล็กเด็กแดงชาวโดงทั้งหมดแสดงความยินดีที่เห็นการมาถึงของคณนะพรานชดและนานอินเป็นอย่างยิ่ง โบเมียแลกซากาเรอันเป็นนายบ้านของทั้งสองแห่งนอกจากคุ้นเคยกันานอิงอยู่แล้วก็ยังรู้จักขยินเป็นอย่างดีอีกด้วยจึงไม่มีปัญหาอะไรแม้แต่น้อยแทมที่พักของคณะของเชษฐาถูกกำหนดขึ้นกลางลานบ้านซ้ำตำแหน่งเดิมกัททิรพินมาพักอยู่นั่นเอง ภายหลังการทักทายและพักผ่อนทานอาหารกลางวันกันเรียบร้อยแล้วการสนทนาสอบซักจึงเริ่มขึ้นทันทีโดยมีโบเมียนายบ้านตะเคียนทองอกเล่นายบ้านห้วยเสือร้องกระเรียงสะอิองคนเจ็บซึ่งบัดนี้พอจะเดินได้แล้วและพวกกระเรียงอาวุโส อ, อีกสามสี่คนที่อบพยพมาจากตะเคียนทองอันจะเป็นผู้รายงานข่าวได้ดีที่สุด เข้ามานั่งรายล้อมอยู่เบื้องหน้าของกลุ่มเชษฐาซึ่งติดตามคณะของรพินมาเบื้องหลังดารินบัดนี้ไม่มีอาการของความอ่อนเพลียหรือไม่สบายใดๆเหลืออยู่อีกเลยและอันเนื่องมาจากแม้หล่อนจะพูดกระเรียงได้บ้างแต่ก็ไม่ถึงกับแคล่วคล่องนักพี่ชายกลางกระนันอินจึงทำหน้าที่เป็นล่ามผ่านคำถามและคำตอบให้แกทั้งสองฝ่ายอย่างกระจ่างชัดที่สุด เท่าที่ฝ่ายของตนจะถามและกะเรียงทั้งสองหมู่บ้านจะให้คำตอบได้แล้วความจริงข้อกังขาทั้งหลายแหล่ก็ค่อยๆถูกเปิดเผยออกมาเป็นลำดับทางฝ่ายเชษฐานั้นผู้ทำหน้าที่สอบสวนหรือตั้งคำถามได้ดีที่สุดละเอียดที่สุดโดยไม่มีการข้ามขั้นตอนเลยแม้แต่เรื่องที่ปลีกย่อยเล็กน้อยที่สุดคือดารินวราริศ มันเริ่มตั้งแต่สัญญาณภัยที่เกิดขึ้นกับหมู่บ้านตะเคียนทองก่อนโดยการอรารวาสของช้างงาดำและขโขลงของมันจนต้องหนีภัยโคจรสารขึ้นไปอาศัยอยู่ตามซอกโพรงของหน้าผาสูงและส่งหน่วยอาศาสมัครเดินทางลงด้านใต้วัตถุประสงค์ก็คือจะมุ่งเข้าหาหมู่บ้านซับบอนแล้วก็จะลงไปตามระพินไพรวันยังหนองน้าแห้งเพื่อบอกข่าวช้างร้ายและขอความช่วยเหลือ กลุ่มของสเสอิงอันประกอบด้วยอูถะและพัโต้สามคนเผชิญหน้ากับกระทิงโทนแล ะ, สะเสอิงก็เคราะรารถูกเหยียบถากที่หน้าทองไสไหลซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกับที่คณะของระพินไพรวันเดินสวนทางขึ้นมาพอดียังบริเวณป่าไผ่แห่งนั้นแมนผิวขาวสองคนคนหนึ่งผมแดงอีกคนหนึ่งผมทองรวมทั้งคณะของระพินทั้งหมด หยุดพักกันที่บริเวณป่าไผ่แห่งนั้นเพื่อเย็บบาดแผลและรักษาพยาบาลเสอเอิงภายใต้การอำเนวยการดูแลใกล้ชิดของพรานใหญ่เมื่อสอบความมาถึงตอนนี้ดารินค้นไปหลังส่วนตัวของหลอนหยิบรูปของสองสาวอเมริกันที่ติดตัวมาส่งให้เสอเอิงและกลุ่มกระเหลียงพวกนั้นดูทันทีเพื่อเป็นการยืนยันให้แน่ใจยิ่งขึ้นนี่สองคนนี้ใช่ไหม สำหรับผู้หญิงผิวขาวผมแดงกาผมทองเนี่ยใช่แล้วครับนายหญิงเสืเอิงต่อผ่านานอินและอนุชามาภายหลังจากมองรูปปราดเดียวรูปของดรสแตลลีคีตและพันตรีเชิดพุธถูกส่งไปให้ดูอีกด้วยเสืเอิงและพวกนั้นทุกคนก็ยืนยันว่าถูกต้องขณะที่พบกับพวกของสเสือิงพ่านใหญ่มีคนมาทั้งหมดกี่คนล่ะ หล่อนถามละเอียดยิบและโดยไม่ต้องเสียเวลานึกเลยเอิงซึ่งจัดว่าเป็นคนแรกเท่าที่เหลืออยู่ในค้วยเสือร้องที่พบเห็นกับคณะค้นหาระเบิดนิวเคลียร์ตอบได้ตรงก ร, รายงานที่ฝ่ายดารินรู้มาก่อนแล้วจากนายอัมพลตลอดจนพวกกระเรียงที่ซับบอลคืออเมริกันสองคู่สี่คนนายทหารหนุ่มไทยหนึ่งคนระพินกับรานคู่ใจของเขาอีกสี่คน กับลูกหาบห้าคู่สิบคนรวมแล้วเป็นคณะเดินทางทั้งหมดยี่สิบคนสัมภาระอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างมากก็แปลว่าณตำแหน่งป่าไผ่ที่สวนทางกับฝ่ายของเสอเอิงน่ะทุกคนของฝ่ายระพินที่ออกเดินทางกันมายังอยู่ครบถ้วนพร้อมหน้าน่ะสิชยันเปลยขึ้นดารินรีตาลงหวนคิดไปถึงร่องรอยหลักฐานต่างๆ ที่ค้นพบยังตำแหน่งนั้นซึ่งมันก็ตรงกันได้ทุกอย่างกับคำบอกเล่าของสเสอ่งหล่อนขอร้องให้สเสอ่อเปิดรอยบาดแผลให้ดูพร้อมทั้งขอยากินที่ยังเหลืออยู่มาดูด้วยภายหลังจากตรวจวิจารณาอย่างถี่ถ้วนหล่อนก็บอกกระพักพวกทุกคนว่าอืมสังเกตดูแผลที่เย็บเอาไว้นี่เบนเป็นศัลยแพทย์มือดีคนหนึ่งทีเดียวและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตลอดจนยาที่ใช้ก็ทันสมัยที่สุดทางนั้นก็ไว้ใจได้นะแล้วก็น่าจะสบายใจสำหรับเราไปอีกเปละหนึ่งในข้อที่ว่าธารพินเกิดเป็นอะไรขึ้นมาก็ยังมีหมอดีและยาดีคอยอยู่พร้อมนะเทถากระซิบกับน้องสาวให้เขาเล่าต่อไปดีกว่าอย่าให้ข้ามเหตุการณ์แม้แต่ตอนเดียว ดารินพยักหน้ากับพี่ชายกลางภายหลังจากปิดเสื้อของเสอเอิงลงตามเดิมบ่ายวันนั้นหลังจากทำบาดแผลเสร็จแล้วพักกันอยู่ในปา่าไผโขลงไอ้งาดำมันก็บุกเข้าโจมตีระพินกับพวกยิงถล่มสกัดกั้นไว้ได้ต่อมาฝนตกใหญ่กลางคืนพักแรมกันที่แห่งเดิม ท่ามกลางซาดช้างที่ล้มเกลื่อนตกดึกมีการระดมยิงอะไรกันขึ้นขนานใหญ่ซึ่งขณะนั้นเสอเอิงไม่ทราบหรอกและมาทราบภายหลังในตอนเช้า ว, ว่าลูกหาบที่มากระพินสองคนถูกหักคอลากศพออกไปนอกบริเวณแคมป์รู้ต่อมาว่าเป็นฝีมือของผีดิบมันตรศพของสองลูกหาบที่มาจากหนองน้ำแห้งน่ะถูกฝังอยู่ใกล้ๆบริเวณที่พักนั่นแหละ ดารินมองหน้าพี่ชายใหญ่และชัยยันในทันทีทั้งสองนิ่งงันไปเพราะต่างก็จําได้ว่าเจ้าด้วนได้นําดารินและคณะที่ติดตามมาทั้งหมดให้ไปดูยังบริเวณที่มีรอยขุดหลุมฝังศพคนคู่นั้นไว้ก่อนแล้วแต่ตอนนั้นยังนึกเดาอะไรไม่ถูกจากการบอกเล่าลําดับเหตุการณ์รุ่งขึ้นคณะทั้งหมดก็เคลื่อนย้ายต่อ บ่ายหน้ามายังหมู่บ้านตะเคียนทองพระโต้และอูทะทําหน้าที่แทนลูกหาบสองคนของระพินที่เสียชีวิตไปโดยทําแค่แบกหามสะเอิงผู้ยังป่วยอยู่มาด้วยถึงตะเคียนทองก็โผล่เพลใกล้คําพบหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านถูกโขงช้างทําลายปนปี้ซากศพของพวกที่หนีไม่ทนันคลุกดินแหลกเหลวเกลื่อนไปหมดและกําลังส่งกลิ่นขึ้นอืด รพินนําคณะเคลื่อนไต่ตามลำธารสูงขึ้นไปจนถึงบริเวณหน้าผาจึงพบว่ากะเหลี่ยงเหลือตายจากโคจพายที่หมู่บ้านเคลื่อนย้ายไปอาศัยอยู่ตามซอกบนหน้าผาสูงชันคืนนั้นฝ่ายของรพินทั้งหมดพักแรมกันอยู่ใต้หน้าผาแต่ส่งเสเอิงคนเก็บให้ขึ้นไปอาศัยอยู่ในซอกโพรงถ้าบนหน้าผาซึ่งมีโบเมียในบ้านควบคุมอยู่ เมียและลูกของเสอเอิงยังมีชีวิตอยู่และก็ได้มารับเสอเอิงขึ้นไปดูแลด้วยตอนหัวค่ำหมอเบงกระพินขึ้นไปเยี่ยมดูอาการระยะหนึ่งและทั้งคู่ก็กลับลงมาอย่างพักพวกที่ตั้งแคมป์กันอยู่ข้างล่างตกดึกของคืนเดียวกันพวกที่อาศัยอยู่บนหน้าผาเบื้องสูงขึ้นไปได้ยินเสียงเอะอะโวยวายและระดมยิงด้วยปืนชนิดต่าง ดังสนั่นแซ่ทั่วไปหมดขณะนั้นยังไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นต่อมาก็ได้ยินเสียงระเบิดมือที่ดังเป็นระยะระยะระคนไปกับเสียงร้องของช้างจำนวนมากมายเหลือเกินแล้วกลุ่มที่มากระพินก็ถอยกันขึ้นไปสมทบกับพวกกระเรียงที่อาศัยอยู่ตามโพรงบนหน้าผาสิ่งที่น่าประหลาดใจและพรั่นใจที่สุดสาหรับทุกคนในขณะนั้นก็คือ รพินไพรวันสูญหายไปหนักคืนดังกล่าวไม่มีใครเห็นเขาทุกคนของฝ่ายเขาถอยขึ้นไปตั้งหลักบนหน้าผาได้หมดยกเว้นตัวรพินคนเดียวที่สูญหายไปได้ความว่าฝูงผีดิบของมันไรนำโขงช้างจำนวนมหึือมาเข้าบีบล้อมโจมตีหมายขยี้ให้แหลกทั้งคณะในกลางดึกนั่นเอง พอตะวันขึ้นภายใต้การนำของบุญคำและอเมริกันอาวุโสหัวหน้าคณะทั้งหมดก็ลงไปค้นหาพรานใหญ่ตามไปก็พบว่าถูกล่อไปตกและติดค้างอยู่ในเหวบนตีนเขาลูกหนึ่งไม่ห่างนักเชื่อว่าเขาถูกล่อให้ไปตกเหวสรุปก่อนที่ขลงช้างจะเข้าโจมตีพักพวกทุกคนข้อความเหล่านี้โบเมียเป็นผู้เล่าแทนสเสือก ผู้ลงไปกู้ตัวพลานใหญ่ขึ้นมาได้คือแม่มผมทองและบุญคำหามกันกลับมาที่แคมป์พักใต้เชิงผาอันถูกเหยียบย่ำทําลายปนปี้ไปหมดแล้วพร้อมทั้งสาชางนับไม่ถ้วนที่ถูกยิงล้มเป็นภูเขาเหล่ากาอยู่ตอนนั้นระพินบอบช้ำ ม, มากเยียวยากันอยู่ที่แคมป์ใต้ตีนผานั่นตลอดทั้งวันพอตกกลางคืน ทุกคนรวมทั้งตัวพลานใหญ่จึงถูกลำเลียงขึ้นมาอาศัยอยู่ในซอกโพรงถ้ำบนหน้าผารวมกับต ะ, กะเกียงตะเคียนทองที่อาศัยอยู่ก่อนโดยเฉพาะตัวระพินเองถูกส่งเข้ามาอยู่ร่วมคูหาเดียวกับเสอือเงิผู้ที่กำลังเจ็บป่วยจากบาดแผลถูกกระทิงเหยียบอยู่เช่นกันเมื่อบโมเมียนายบ้านตะเคียนทองเล่ามาถึงตอนนี้ดารินเม้มริมฝีปาก หลับตาลงมันดูเหมือนเหตุการณ์ตอนนี้จะมาประสานกันได้แล้วกับภาพเหตุการณ์ที่หลอนนั่งทู่มองเห็นคล้ายๆภาพฝันซึ่งเมื่อมาได้รับการบอกเล่าเช่นนี้มันก็ตรงกันหมดทุกอย่างเอิงดารินเอ่ยเรียกเจ้ากะเหลียงเดินตายขึ้นด้วยเสียงแผ่วเบาพยายามจะพูดกะเหียงด้วยตนเองเท่าที่จะสามารถทาได้ เจ้ากับเมียและลูกนอนอยู่ในซอกคูหาด้านที่ลึกเข้าไปส่วนพรานใหญ่ให้น้ําเกลืออยู่ในส่วนที่ถัดออกมาโดยมีแมมผมทองคอยดูแลอยู่ตลอดทั้งคืนใช่ไหมใช่ในายหญิงรู้ได้ยังไงเอิงทาหน้าตื่นย้อนถามมาดารินไม่ตอบตรงคำถามนักแต่พูดต่อไปว่า แม่มผมทองนอนอยู่ใกล้ๆพารานใหญ่มีหนังแก้งตากแห้งผืนหนึ่งปูนอนแม่มคนนั้นบางขณะก็ไม่ได้นอนแต่ลุกขึ้นมานั่งและเขียนอะไรบนด้านหลังของแผ่นหนังแก้งที่ใช้ปูนอนนั่นใช่ไหมเจ้าคนเจ็บที่เพิ่งจะฟื้นจากอาการป่วยพอเดินได้บ้างกระย่องกระแยงสั่นหัวตอบหน้าซื่อไม่รู้ สเสอิงไม่รู้ล่ะตอนนั้นสเสอิงยังเก็บมากแล้วก็นอนหลับไปไม่เห็นอะไรเห็นแต่คนเฝ้าพรานใหญ่คือผู้หญิงผมทองไม่ใช่ผมแดงคนผมทองก็ดูท่าจะเป็นหมอด้วยเหมือนกันแหละเพราะรักษาได้ฉีจยาได้ให้ยากินได้เชิถาชายันและอนุชามองหน้าน้องสาว คืไปถามอะไรเจ้าเสอือเอิงในสิ่งที่ปริย่อยไม่เป็นเรื่องเช่นนั้นละ่ะน้อยดารินยุติเสะไม่ตอบเช่นไรแต่พยักหน้าบอกมาว่าเอาละ่ะเล่าต่อไปในสิ่งที่พวกเจ้าทุกคนรู้อยู่แล้วกันข้อนรุ่งของคืนนั้นน่ะนายรพินตื่นขึ้นมายิงปืนอีกแล้วพวกเราก็ตื่นกันขึ้นทั้งหมด พบว่ามีไอ้ผีดิบห้าหกตัวกําลังพยายามจะปีนไต่หน้าผาขึ้นมานายรพินกับพวกพรานของเขาก็ยิงร่วงลงไปหมดตอนนั้น่ใกล้สว่างแล้วแล้วก็ดูว่านายรพินเขายังชั่วขึ้นแล้วโบเมียเล่าต่อพวกเราผ่านหมู่บ้านตะเคียนทองของเจ้าแล้วก็ได้ขึ้นไปอาศัยนอนอยู่บนหน้าผาที่พวกเจ้าขึ้นไปอาศัยอยู่เหมือนกันะ่ะ เราเห็นหมู่บ้านและซากศพ ข, ของพวกเจ้าถูกเผาไหม้หมดใครเป็นคนเผาละ่ะเชษฐาถามขึ้นเป็นประโยคแรกพรานใหญ่สิพานใหญ่ใช้บุญคำอาคนของเขาไปเผาทำลายซะทั้งหมดก่อนที่จะพาพวกเราที่รอดตายและอาศัยอยู่บนหน้าผาให้เดินทางมาสมทบกับพวกที่ห้วยสือร้องนี่เพราะอยู่ที่นั่นไม่ได้แล้วตะเคียนทองน่ะกลายเป็นหมู่บ้านร้างไปแล้วลับนาย บเมียกเป็นคนตอบและเป็นผู้เล่าความต่อไปที่พอตกสายของคืนที่คณะทุกคนขึ้นไปอาศัยอยู่บนหน้าผาตะเคียนทองนายรพินก็กวาดต้อนเกณฑ์เอาพวกกะเรียงที่เหลือตายทั้งหมดไม่ว่าลูกเล็กเด็กแดงให้ออกร่วมเดินทางมาด้วยเพื่อมุ่งหน้ามายังห้วยเสือร้องที่นี่และพอตกบ่าย คณะทั้งหมดก็มาหยุดสังเกตการอยู่ตรงหน้าปากทางเข้าระหว่างซอกทางเดินแคบแคบซึ่งตัดทะลุเข้าไปในซอกเขาหินใหญ่อันมีก้อนหินขนาดมหฮือมาก้อนหนึ่งทางฝั่งซ้ายของหน้าผาตัดถูกลมพัดคลอดกิ่วทําท่าจะขาดมิขาดแลอันชาวบ้านในละแวกนี้รู้จักหินก้อนนี้ดีมาหลายชั่วคนแล้ว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 ชยันและหนานอินก็ป้อนคำถามด้วยสุดแต่ใครจะสงสัยในแง่มุมใดซึ่งทั้งโบมีสะเอิองและกระเหี่ยงตะเคียนทองที่มากับคณะก็ช่วยกันตอบโดยทีท่วนเพราะทุกคนรู้เห็นเหตุการณ์อยู่กับตาตัวเองทุกแง่ทุกมุมตอนนั้นนายรพินหยุดยืนอยู่ปากทางให้พวกคณะของเราทั้งหมดพักอยู่ด้านต่ำลงไป ซึ่งตอนนั้นเราไม่เข้าใจว่าเขาหยุดทําไมในเมื่อเส้นทางระหว่างซอกเขานั่นพวกเราหรือใครก็ตามที่จะอาศัยเดินผ่านก็จะเดินผ่านกันไปมาตามสบายหลายชั่วคนแล้วโบเมียพูดช้าๆสีหน้าเริ่มแสดงความไม่สบายใจพวกฝรั่งเขาก็ไปยืนแหงนดูสองหน้าผาที่ขวางหน้านั่นอยู่ด้วยพูดปรึกษาอะไรกันอยู่ที่นั่นนานแล้วแมมผมแดงก็ตะโกนอะไรเข้าไปในซอกผานั่น เสียงมันก็ดังกล้องสะท้อนกลับไปกลับมาหลายครั้งจากเสียงตะโกนของแม่มผมแดงก็มีเสียงหินเปราะที่เป็นผิวอยู่ตามผนังหน้าผานั่งสั่นสะเทือนบางส่วนก็ร่วงลงมาเป็นฝุ่นมองหินชัดบบเมียก็ว่านายรพินคงจะต้องการทดลองอะไรสักอย่างเพราะคงไม่เชื่อใจว่าระหว่างที่พวกเราทั้งหมดเคลื่อนขบวนเข้าไปตามช่องแคบที่ขนาบด้วยหน้าผาหินเปราะนั่น พวกหินมันจะถล่มลงมากรบฝังพวกเราหรือเปล่าจุดสำคัญที่น่ากลัวที่สุดก็ตรงหินก้อนใหญ่ที่มีรอยคอดกิ่วนั่นแหละถ้าหินก้อนนั้นเกิดขาดในเวลานั้นแล้วกลิ้งหล่นลงมาเมื่อไหร่ความสะเทือนของมันจะทาให้หินเปราะที่งอกอยู่สองฝั่งผาถล่มทลายตามลงมาแน่ๆโบเมียหยุดเอามือลูบหัวเหมือนจะย้อนคิด ไปถึงสภาพเหตุการณ์สยองที่ผ่านมาไม่นานนี้ฝ่ายของเชษฐาทั้งหมดเงียบกริบจ้องเขม็งไปที่อดีตนายบ้านตะเคียนทองซึ่งสามารถให้ข่าวในเรื่องนี้ได้กระจางแจ้งที่สุดเพราะฉลาดและพูดยาได้เป็นกิจลักษณะกว่าทุกคนเล่าต่อไปสิบมนี่ยอนุชาเตือนขึ้นด้วยน้ำเสียงต่ำๆอัดควันบุหรี่ลึก ชัยยันรินบรั่นดีลงเต็มแก้วพลาสติกแล้วส่งไปให้ทุกคนของฝ่ายชาวพระนครสามารถสังเกตเห็นสีหน้าแววตาของพวกกะเหรี่ยงตะเคียนทองได้อย่างชัดเจนว่าตกอยู่ในภาวะอกสั่นขวัญแขวนเช่นกันเมื่อพูดมาถึงตอนนี้ภายหลังดวดบรั่นดีของชัยยันเข้าไปสองอึกใหญ่ๆผมเนี้ยก็ถอนใจเยือก นายมันเป็นเรื่องน่ากลัวมากเป็นเรื่องที่เราทุกคนที่มากับนายรพินเห็นกับตาแล้วลืมไม่ได้ช่วยชีวิตเรามารู้กันทีหลังว่าระหว่างที่นายราพินส่องกล้องสำรวจดูนั้นแกเห็นเงาของอะไรสักอย่างนึงยืนสองขามันน่าจะเป็นไอ้ผีดิดนรกนั้นยืนลับๆ ล, ล่อๆ อ, อ, อยู่บริเวณใกล้เคียงกับก้อนหินใหญ่คอดกิว จะขาดมิขาดแหลลูกนั้นแกสงสัยว่ามันอาจจะเป็นตัวการที่คอยดักทําให้หินก้อนนั้นขาดกลิ้งลงมาหาขาดกลิ้งลงมาหากว่าพวกเราทั้งหมดยกขบวนเดินผ่านเข้าไปในช่องแคบนั้นแกก็เลยวางแผนในทันทีเพราะพวกเราไม่มีทางเลือกที่จะผ่านเส้นทางอื่นได้ยังไงยังไงก็ต้องผ่านช่องแคบนั้นอย่างเดียวเท่านั้น ก็นั่นสิเราอยากรู้ว่าเขาวางแผนยังไงพวกเราที่ตามมาข้างหลังพบแล้วละ่ะว่าหน้าผาทั้งสองด้านเกิดอาการถล่มหินร่วงลงมาทับเส้นทางสูงมากซึ่งถ้าใครเดินอยู่ในระหว่างนั้นก็คงจะถูกขยี้แบนหมดแล้วก็ถูกฝังไปเลยในทันทีผู้ พ, พูดมาเสียงขึ้งขึ้ขขขขนคือเชษฐาเขาใช้ภาษากระเหรียงได้ดีพอใช้เมื่อเกิดความจาเป็นขึ้นมา เจ้านายครับพรานใหญ่น้าแบ่งพวกเราทั้งหมดออกเป็นสามพวกเอาความปลอดภัยไว้ก่อนคือพวกของโบมียที่อพยพมาจากตะเคียนทองอันมีทั้งผู้หญิงคนแก่แล้วก็เด็กโดยให้พรานของเขาสองคนคือเกิดกระเสยคุมไว้ให้ถอยห่างลงไปในระยะที่พอจะหลีกหลบทันถ้าเผื่อหน้าผามันเกิดถล่มลงมาไที่สองเป็นายที่จะปีนหน้าผา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 จะเป็นฝ่ายที่เดินล่อเข้าไปในซอกระหว่างหน้าผาประชิดทั้งสองด้านก็มีสี่คนเหมือนกันมีบุญคำจันนายทหารหนุ่มไทยและก็แม่ผ ม, มทองพวกที่จะเสี่ยงอันตายที่สุดก็คือพวกที่จะเดินล่อเข้าไปในเส้นทางขณะที่ฝ่ายของนายรพินไต่หน้าผาตรงเข้าไปยึดที่หินใหญ่คอดกิ่วลูกนั้น ส่วนพวกของโบเมียนไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากเฝ้าคอยดูอยู่ต่ากว่าเนินของเส้นทางด่านลงมาพี่แอนนึกภาพออกไหมครับตามที่โบเมียเล่านี่ฟังก็รู้เรื่องตลอดไหมคือเขาหมายถึงพวกของรพินที่จะปีนขึ้นไปนะ่ะมิสตอรลีหัวหน้าคณะพันเอกคิดแล้วก็อิสเบีส่วนพวกที่จะเดินทำหน้าที่เดินล่อเข้าไปในเส้นทางอันตราย ก็จะมีบุญคำจันเชิดบุตรแล้วก็คริสตินาอนุชาหันมาบอกกับพี่ชายใหญ่และทุกคนเชถาประงกหัวลงนิดหนึง่งเอาละ่ะยิ่งได้เธอช่วยอธิบายต่อแบบนี้ก็ยิ่งเข้าใจมากขึ้นละอะลองถามบูมิเยตต่อไปสิว่าพวกที่เดินล่อเข้าไปนะ่ะเป็นพวกที่เสี่ยงตายมากที่สุดแล้วพวกนั้นสี่คนจะมีหลักประกันอะไรในการกล้าเสี่ยงถึงเพียงนั้น เพราะถ้หินถล่มเมื่อไหร่ก็จะถูกฝังทั้งเป็นโดยไม่มีทางเลี่ยงเลยรบินคงไม่สั่งอะไรโง่ๆ โ, โดยปราศจากหลักเกณฑ์ไม่ใช่เหรออดีตพรานชดหันไปส่งภาษากะโบเมียซึ่งเจ้านั่นก็อธิบายว่าเจ้านายครับที่ตีนเขาฝั่งซ้ายมือน่ะจะมีซอกโพรงและรูถ้ำที่จะมุดลอดเข้าไปใต้ภูเขาฝั่งซ้ายและทะลุไปออกที่อื่นได้ บุญคำกระจันทพอจะรู้ดีว่าช่องไหนเป็นเส้นทางตันช่องไหนเป็นเส้นทางเดินที่มีทางทะลุออกนายรพินนท์แนะกําชับไว้แล้วอย่างเข้มงวดให้บุญคำและจันทร์คอยระวังนายทหารกําแหม่มผมทองไว้ตลอดเส้นทางที่เดินล่อเข้าไปถ้าหากว่าเกิดหินถล่มขึ้นเมื่อไหร่ก็ให้ทั้งสี่คนหลบเข้าไปในช่องใต้ภูเขาโดยหาทางทะลุออกอีกด้านหนึ่งของภูเขาให้ได้ มันเสี่ยงแต่มันก็มีทางรอดถ้าบุญคำกระจันนำหลบเข้าไปในช่องใต้ภูผาที่ถูกต้องโดยไม่นำหลงเข้าไปติดเส้นทางตันนายรพินวางแผนไว้เช่นนี้แล้วพวกที่เดินล่ออยู่ข้างล่างก็เข้าใจดีอยู่แล้วโบมีอธิบายผ่านอนุชาและหนานอินมาเจถาดารินและชยันฟังออก 60% เอร์เซนแต่ก็กระจางแจ้งตลอดเมื่อทั้งสองช่วยถ่ายทอดซ้า ท่านหัวหน้าคณะเอื้อมมือมาตบไหล่โบเมียเตือนให้พูดต่อพวกของนายรพินก็ปีนไต่หน้าผาขึ้นไปก่อนพวกของบุญคํานคอยอยู่ปากทางรอสัญญาณพอฝ่ายของนายรพินไต่ขึ้นไปใกล้หินก้อนนั้นก็เบิกมือโบกมือลงมาส่งสัญญาณให้บุญคํานําพวกเดินล่อเข้าไปส่วนนายรพินก็ไต่ต่อไปพวกเดินล่อก็เดินเข้าไปได้ครึ่งทางเห็นจะได้ นายราพินก็แงนมองขึ้นไปเห็นไอ้งาดําตั ว, ตวโตโผล่มาจากแง่หินด้านบนมันเตรียมดักที่จะงัดหินโคลนกิ่วก้อนนั้นให้ขาดอยู่ก่อนแล้ถึงตอนนี้นายราพินก็ยิงมันซึดหัวพิมพ์ครู่ตัวลงมาปะทะโคนหินกิ่วก้อนนั้นขาทักสะบั้นลงมาหินกลิ้งลงมาตามหน้าผาหินหน้าผาทั้งหมดสะเทือนก็ถล่มตามกันลงมาเป็นพรวน เสียงดังเหมือนฟ้าผ่าลงมากระทบกับนรกดังไปไกลมากมันร่วงลงมายิ่งกว่าสายฝนพุลลงมากรบทับเส้นทางช่องแคบตลอดทั้งแนวฟ้าถล่มโลกทลายยังไงก็อย่างงั้นแม้พวกของบงเมียเองที่คุมเชิงอยู่ห่างก็ยังต้องหลบกันจ้าละวันไปหมดแผ่นดินสั่นไหวหินบางส่วนกระเด็นมาถึงไม่มีอะไรน่ากลัวเท่า พวกเราที่รอยอยู่เส้นทางด้านต่ำลงไปขณะนั้นมองไม่เห็นอะไรเลยจริงๆนายแต่ยินแต่เสียงเห็นแต่ก้อนหินมันร่วงพลู่ตามกันลงมาแล้วก็ฝุ่นละอองลอยฟุ้งขึ้นไปจรดก้อนเมฆโบมีเสียงแหบไปกระเดือกน้ำลายลงคออย่างฝืดๆในขณะที่เชิฐาอนุชาและชา ย, ยันเบิกตาโพลงไม่กระพริบเปิดหูคอยฟัง ส่วนดารินหลับตาลงอย่างหวาดสยองจากภาพพศที่โบมียบอกทำไมหล่อนจะไม่รู้ว่าลักษณะนั้นเป็นอย่างไรในเมื่อตอนเองก็ผ่านซากของภูผาถล่มนั่นมาแล้วพร้อมทั้งมาจมอยู่ในปัญหาที่ว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นแล้วเกิดขึ้นได้อย่างไรวงสนทนาสอบซัก เงียบกริบกันไปชั่วขณะและผู้ที่ทำลายความเงียบขึ้นก็คืออดีตพรานชดผู้กล้านต่อชีวิตซึ่งจะมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องเล็กไปหมดมีใครบาดเจ็บล้มตายบ้างดารินรีบทวงขึ้นนกทีว่าอย่าเพิ่งเขาดวนสรุปสิครับพี่กลางเราต้องการรู้รายละเอียดให้มากที่สุดที่เขาจะให้เราได้ พี่ชายกลางจึงเปลี่ยนมาเป็นคำถามว่าแล้วภูเขาหินทั้งสองด้านถล่มแล้วต่อไปยังไงกะว่าไปตามที่พวกเจ้าเห็นสิโบมีเจึงทำหน้าที่บรรยายต่อเจ้านายครับเมื่อกำปันาศสันสะเทือนของภูเขาที่ถล่มลงมากลบเส้นทางเดินส่างสิ้นลงพร้อมทั้งหมอกฝุ่นที่เริ่มจะค่อยๆจางทุกคนของกะเรียงอพยพอันหลบอยู่ในที่ปลอดภยัย พร้อมกระเซยและเกิดซึ่งนายรพินให้คอยควบคุมดูแลอยู่ก็พากันแล่นขึ้นไปพบถนนใหม่เกิดขึ้นใหม่ยังซอกของทางเดินแคบๆนั้นสูงขึ้นกว่าเดิมร่วมสิบว่าและพวกที่ทําหน้าที่เดินล่ออยู่ข้างล่างก็อันตราธานสูญหายไปหมดแล้วภายใต้กองหินหรือกองภูเขาที่เกิดขึ้นใหม่นั้นยังไม่รู้อนาคตแต่ก็มองเห็นอยู่ชัดๆจากสายตาว่าทุกคนที่เดินไป ถ้าหลบเข้าซอกโพรงที่นัดแนะกันไว้ก่อนแล้วไม่ทันก็จะต้องถูกฝังทั้งเป็นอยู่ภายใต้เมื้อบนขึ้นไปตรงบริเวณที่นายรพินนำอีกสามคนไต่เข้าไปเพื่อหมายตรงไปยังก้อนหินใหญ่อันเป็นต้นเหตุให้ภูเขาถล่มต่างเห็นว่าทั้งนายรพินและฝรั่งอีกสามคนได้รับบาดเจ็บสะบักสะบอมกันบ้างตามสมควรระหว่างที่หินเริ่มสะเทือนร่วงลงมา แต่ก็โชคดีที่ทั้งสี่คนในจำนวนนั้นไม่มีใครถึงแกบพิการหรือถึงแกบชีวิตเพราะต่างก็เข้าหลบยึดกำบังหินเอาไว้ได้ตามตำแหน่งต่างๆสุดแต่จะใกล้ตัวใครเพื่อไม่ตนเองพลอยร่วงลงไปด้วยสเตลีซึ่งเป็นหัวหน้าคณะดูจะบาดเจ็บบอบช้ำมากกว่าทุกคนถึงกับหมดสติไปชั่วขณะเพราะกลิ้งลงมากระแทกหินพวกข้างล่างที่วิ่งตามขึ้นมาได้ไตหน้าผาขึ้นไปดูเหตุการณ์ และให้การช่วยเหลือทันจนพ้นขีดอันตรายพอจะได้สติงูเงยขึ้นมาได้และทุกคนก็ตรวจพบว่าช้างงาดำตัวต้นเหตุที่มันแอบอยู่ข้างก้อนหินมรณะและถูกปืนของนายราพินเข้ากลางกระโหลกศีรษะจนหัวทิ่มลงมาชนโคลนหินก้อนนั้นทำให้หินขาดและยังพลอยพาให้หน้าผาทั้งหมดถล่มลงมากลบเส้นทางเดินนั้น ยังคงทิ้งซากให้เห็นอยู่ที่เดิมแต่ที่นับประหลาดใจของทุกคนขณะที่ไต่ขึ้นไปดูนั้นก็คืองาที่มองเห็นว่าเป็นสีดําสนิทของมันขณะที่มันเสียชีวิตไปแล้วค่อยๆกลายสภาพเป็นงาขาวปนเหลืองเช่น ง, งาช้างธรรมดาไปตามเดิมโดยปรากฏให้เห็นชัดกระตาทุกคนในขณะนั้นทีละน้อยทีละน้อยส่วนร่างของอมนุษย์มันไตร ก็ไม่มีวี่แววว่ามันหายไปทางไหนเมื่อพยุงกันลงมายังบริเวณที่กองหินถลม่มทับปิดทางกลายเป็นถนนสายใหญ่ขึ้นทุกคนเต็มไปได้วยความวิตกหวาดวันพร่านใจในกรณีที่ไม่ได้ข่าวใดๆจากสี่คนที่อยู่ภายใต้หินถล่มนั้นเลยนายรพินและพวกอเมริกานทั้งสามคนพยายามใช้วิทยุเรียกติดต่ อ, อยู่ตลอดเวลาแต่พวกที่ถูกหินกลบอยู่ข้างล่าง ไม่ได้ตอบรับเลยเหมือนกับว่าทั้งสี่คนอันประกอบด้วยเชิดบุตรคริสติน่าบุญคำและก็จันร์ซึ่งเดินล่ออยู่เบื้องล่างเสียชีวิตไปหมดแล้วการพยายามเรียกวิทยุการตรวจบริเวณได้กระทากันเป็นเวลานานนายรพินก็ทำหน้าที่ปลอบใจพวกนั้นว่าจะยังไงซะทั้งบุญคำและจันก็จะต้องสามารถฉุดกระชากเอาแม่ผมทองและนายทหารไทย หลบเข้าไปในช่องโพรงถ้ำใต้เชิงเขาและมุดลอดใต้เขาออกไปทะลุอีกฝากหนึ่งซึ่งได้มีกําหนดนัดแนะกันไว้ก่อนแล้วว่าถล่เข้าไปได้แล้วก็ให้ลอดใต้เขาตรงไปดักรออยู่บนเนินสักดําอันเป็นจุดนัดพบทันทีแต่วิทยุที่ยังเรียกกันไม่ได้น่ะก็คงเนื่องมาจากเหตุขัดข้องบางประการหรือมิฉะนั้นก็จํานวนหินที่หล่นลงมาทับโถมสูงพัเนินอยู่น่ะ เป็นขนาดที่มากมายไกลกองและมันก็หนาเกินไปกว่าที่คลื่นวิทยุจะเรียกถึงกันได้จากวิทยุมือถือผลที่สุดเมื่อไม่สามารถที่จะทําอะไรให้ดีไปกว่านั้นได้อีกแล้วนารพิน์ก็นําพวกที่เหลือทั้งหมดเดินไต่ไปตามบริเวณอันกรุขระไว้ด้วยก้อนหินอันหล่นลงมาทับถมบริเวณเดิมและบ่ายหน้าไปยังเนินสักดําซึ่งอยู่ไม่ห่างไกลนัก โดยความหวังว่าเมื่อไปถึงก็ควรจะได้พบกับกลุ่มของทั้งสี่คนภายใต้การนำของบุญคำไปรอคอยอยู่ก่อนแล้วตามคำสั่งหรืออาจจะตามไปทีหลังก็ได้แต่ความรู้สึกของทุกคนในขณะนั้นเต็ไมไปด้วยความปริวิตกกงังวลและเป็นห่วงทั้งสี่คนเป็นอย่างยิ่งเพราะสภาพการมันทําให้เกิดความรู้สึกสังหรณ์ใจว่าทั้งสี่คนน่าจะหลบไม่ทันถูกขินบทแลก และถูกฝังไปหมดแล้วเพราะช่องโพรงที่จะใช้หลบเข้าไปนั้นก็ไม่ได้มีอยู่มากมายนักซ้ํายังจะต้องเลือกตําแหน่งให้ถูกต้องด้วยมิฉะนั้นแม้จะหลบภัยจากหินหล่นทับได้ก็จะต้องไปติดตันและถูกตัดขาดจากโลกภายนอกถูกฝังทั้งเป็นเพราะหาทางออกไม่ได้ส่วนใจคณะที่เหลืออยู่ทั้งหมดหรือก้อนหินถลม่มเพื่อตรวจค้นหาซากศพก็เป็นสิ่งที่ทําไม่ได้เหมือนกัน เนื่องจากมันทับโถมสูงกันมากมายสูงเป็นบุกเขาเหล่ากาทีเดียวแม่มผมแดงกับฝรั่งสองคนน่ะแกกลัวมากโบเมียพูดต่อโดยเฉพาะแม่มผมแดงอ่ะร้องไห้นายระพินเองก็เงียบขึ้ไปก็ไม่พูดอะไรมากเพียงจะบอกให้ทุกคนเดินทางต่อไปยังยอดสักดำเท่านั้นส่วนโบเมียกับพวกเราทุกคน ก็คิดว่าทั้งสี่คนจะไม่รอดแล้วละ่ะไงไงก็ต้องตายอยู่ใต้ก้อนหินแน่ๆตอนนั้นทุกคนก็ออกเดินทางต่อไปอย่างเงียบขึ้นนายรพินและฝ่ายมริกันใช้วิทยุเรียกอยู่เป็นระยะๆะะแต่ก็ไม่มีเสียงตอบมาจากใครคนใดคนหนึ่งในจำนวนสี่คนนั่นเลยมันเงียบเงียบที่นเต็ ม, มไปด้วยปริศนาอันน่าระแวงและในที่สุด นายรพินก็นําทั้งหมดยกเว้นพวกที่สูญหายไปใต้กองหินถลม่มมาถึงตําแหน่งยอดศักดําอันเป็นจุดหมายนัดพบแล้วก็วางแคมป์ขึ้นที่นั่นการมาถึงยอดศักดําน่ะเป็นเวลาเย็นใกล้ค่ข้าไปแล้วการเรียกวิทยุก็ยังคงมีอยู่เรื่อยไปคําตอบของคนสูญหายทั้ง4ก็ยังเป็นความเงียบเหมือนเดิมความวิตกก็ทวีขึ้นเป็นลำดับสําหรับฝ่ายอเมริกัน ทำก็แล้วตกกลางคืนก็แล้วในที่สุดก็ล่วงเลยมาจนถึงตอนดึกไม่มีวิแววว่าบุญคําจันนายฐานไทยและก็แม่มผมทองจะเดินทางมาถึงยอดศักด์ดำตามกำหนดเลยทุกคนของฝ่ายนายจ้างและพรานใหญ่เปิดวิทยุรอรับฟังอยู่ตลอดเวลาด้วยความกระสับกระส่าย แต่ก็ไม่มีสัญญาณเรียกของใครในจำนวนสี่คนที่หายไปใต้กองหินถล่มเรียกเข้ามาเลยซึ่งมันก็ผิดปกติไปมากเพราะถ้าบุญคำนำทุกคนลอดเข้าช่องทางใต้ตีนเขาได้ถูกต้องโดยไม่หลงเข้าผิดเส้นทางก็ควรจะต้องเดินทางมาถึงกันแล้วในที่สุดฝ่ายเมริกันอันเป็นนายจ้างที่เหลืออยู่สามคนก็หลับไปด้วยความอ่อนเพลียสะบักสะบอม โบเมกกะกระเลียงคันนี้ตะเคียนทองทุกคนมาทราบเอาภายหลังว่าหลังเที่ยงคืนของคืนนั้นแหละบุญคำกะจันซึ่งมุดหลบก้อนหินถล่มเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในโพรงถ้ำอันมีทางทะลุออกได้ก็ลอบเข้ามาถึงบริเวณที่พักบนยอดเนินสักดำแต่ก็ไม่กล้าที่จะเข้ามายังบริเวณแคมป์ที่พักได้แต่ส่งสัญญาณเรียกพรานใหญ่ออกไปพบได้บอกความจริงให้ทราบว่า มีเขาเพียงสองคนเท่านั้นที่มุดเข้าหลบกองหินสู่โพรงถ้ำใต้เชิงผาอันถูกต้องและสามารถจะลอดใต้เขาออกมาได้ส่วนอีกสองคนเข้าใจว่าคงจะลุดเข้าอีกช่องโพรงแคบๆตอนหนึ่งใกล้ๆกันเนื่องจากโยนตัวขีดสุดจึงไม่สามารถจะโผล่มาได้เพราะเท่าที่บุญคำทราบช่องนั้นมันเป็นช่องโพรงที่ตัน ปราศจากทาง อ, อกทั้งบุญคำและจันก่อนจะลอดใต้ภูเขาออกมาได้ก็ได้พยายามทุกวิถีทางที่จะหาทางมุดลอดเข้าไปช่วยนำทั้งสองออกมาหรือหาทางที่จะทะลุไดต่อถึงกันให้ได้แต่ก็ปราศจากผลทำให้ไม่กล้าที่จะรีบกลับมาพบกับพรานใหญ่และพักพวกทุกคนในขณะนั้นก่อนเพราะไปมัวเสียเวลาค้นหาช่องทาง จะพบอีกสองคนนั่นให้ได้แล้วก็ลอบกลับเข้ามาพบนายรพินยังตำแหน่งนัดอย่างเป็นความลับเพื่อเล่าความจริงทั้งหมดให้ฟังบุญคํากจันบอกว่าก่อนที่หินจะถล่มลงมานิดเดียวแหละเห็นสองคนน่นเดินทอดระยะห่างไปทางด้านหลังร่วมสิบเก้าแล้วก็มีอาการย้าวยแย่เถียงทะเลาะอะไรกันอยู่เอะอะไปหมดพอหินถล่มคลื่นร่วงพลูลงมา บุญคำก็กระโดดเข้าไปเพื่อที่จะฉุดทั้งสองให้หลบมุมเข้าช่องทางเดียวกันที่หมายตาไว้แล้วแต่ก็ช่วยไม่ทันตัวเองถูกหินก้อนหนึ่งกระแทกลม้มลงยังโชคดีที่จันท์เข้ามาคว้าตัวลากเข้าไปหลบอยู่ในช่องโพรงซะก่อนหลังจากนั้นก็มองไม่เห็นแม่มผมทองกันายทหารหนุ่มนั่นอีกแล้วเพราะหินร่วงลงมาอย่างมากมายหนานแน่นปิดบังไปหมด อดีตนายบ้านตะเคียนทองเล่าด้วยเสียงแหบแห้งแล้วสดบรันดีของชายันอีกอึกใหญ่ก่อนจะบรรยายความต่อนายครับเมื่อนายรพินรู้ความจริงก็ตกใจมากคนที่ร่วมรู้ด้วยในขณะนั้นก็มีเพียงเกิดกระสรยเท่านั้น นายรพินก็เลยตัดสินใจทันทีไม่ละความพยายามที่จะไปตามคนทั้งสองให้ได้ทั้งๆ ท, ที่ปราศจากความหวังใดๆเหลืออยู่แล้วเพราะเป็นที่รู้ล่วงหน้าแน่นอนแล้วว่าถาล่เข้าช่องโพรงถ้าผิดตำแหน่งก็จะไม่มีโอกาสโผลกมาอย่างโลกภายนอกได้อีกแล้วจะย้อนกลับมาออกทางเดิมก็ไม่ได้เพราะหินภูเขาที่ถล่มลงมาปิดปากทางไว้หมดแล้วหรือมิฉะนั้น ทั้งสองคนนั่นก็หลบหินไม่ทันถูกทับแหลกเหลวไปแล้วแต่ถึงยังไงพรานใหญ่ก็ยังต้องการความแน่ใจให้ได้แล้วก็อย่างเป็นความลับแล้วก็เงียบกริบที่สุดนายรพินก็เรียกเกิดและเสรยมาสั่งความไว้ว่าตนเองจะย้อนกลับไปกับบุญคําและจันท์อีกครั้งหนึ่งอย่างตำแหน่งช่องทางที่ทั้งสองมุดลอดออกมาได้แล้วเมื่อรุ่งเช้าขึ้น ก็ให้เกิดและเสยนำทางคณะอเมริกันที่เหลือสคนลูกหบับแล้วก็กะเหรี่ยงตะเคียนทองทั้งหมดบ่ายหน้ามายังห้วยเสือร้องทันทีโดยไม่ต้องรออยู่ที่ยอดสักดาเพราะนายจะตามไปที่ห้วยเสือร้องเลยในเที่ยวขากลับแล้วก็ได้ฝากจดหมายไว้ฉบับหนึง่งถึงฝ่ายอเมริกันเป็นจดหมายสั้นๆซึ่งจะเป็นข้อความยังไงบูเมียก็ไม่อาจจะทราบได้ หลังจากนั้นนายก็ลอบออกจากที่พักกลางดึกนะั่นะสั่งให้บุญคำและจันนำย้อนกลับไปยังช่องพโพรงถ้ำที่ทั้งสองทะลุโผล่ลอดใต้ภูเขาออกมาได้โดยที่ฝ่ายนายจ้างอเมริกันและทุกคนในคณะไม่มีใครรู้เลยในตอนดึกของคืนดังกล่าวโดยมอบหน้าที่ดูแลแคมป์พักไว้กับเซยและเกิดเมื่อไปถึงตาแหน่งนั้นท่ามกลางความมืดของราตรีการ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 จังสำรวจย้อนกลับอย่างละเอียดอีกครั้งในที่สุดนายระพินเป็นผู้ค้นพบว่าในด้านสูงของเพดานถ้ำบริเวณหนึง่งที่บุญคำและจันใช้เป็นเส้นทางเดินออกมานั้นเมื่อปีนขึ้นไปก็จะพบเห็นทางเดินเชื่อมต่อไปยังซอกโพรงถ้ำอื่นๆได้จึงได้ไต่ขึ้นไปยังช่องทางเดินในระดับสูงนั้นและคลำทางค้นหาไปเรื่อยๆ ช่วไม่นานก็สามารถหาทางทะลุเชื่อมต่อมายังตำแหน่งถ้าที่อยู่ติดต่อกันแล้วก็น่าสงสัยได้ว่าทั้งสองคนที่กําลังค้นหาน่าจะเข้าไปติดอยู่ในช่องทางนั้นโดยยังหาทางออกไม่ได้ซึ่งมันก็เป็นความจริงที่ทั้งสองคนหลบเข้ามาติดอยู่ในช่องโพรงถ้าตันที่ใต่เพดานถ้ำลงมาพบนั่นเอง แต่ก็ยังไม่พบบคุคคลทั้งสองพบแต่หลักฐานว่าคนทั้งสองมาพักหลับนอนอยู่ตรงบริเวณหนึ่งของถ้าตันนั้นและมีร่องรอยของการปีนไต่ขึ้นสูงอาศัยเส้นทางระดับบนอันมีอยู่เหมือนเส้นทางเดินของปลวกกระเสือกกระสนพาตัวกันออกไปนายรพินกับพรานของเขาทั้งสองซึ่งสกดรอยภายในระดับบนของถ้าใต้ภูเขานั้น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 กำลังนั่งพักอยู่ที่ริมทา น, น้ําตําแหน่งหนึ LGBTQ ่งพ้นจากบริเวณใต้ภูเขานรกออกมาได้แล้วแล้วก็อยู่ในภาวะหลงทางไม่ทราบว่าจะบ่ายหน้าติดตามพักพวกไปทางไหนจึงจะตรงไปยังยอดศักดําหรือบ่ายหน้าไปห้วยเสือร้องได้ดารินล่อระบายลมหายใจออกมาอย่างโล่งอกก็ <S <S เป็นนั้นว่าคือนั้น พรายห ญ, ญ่ย้อนกลับไปติดตามคนที่หายสาบสูญไปใต้ภูเขาทั้งสองคนจนพบใช่ไหมใช่แล้วนายหญิงพบแล้วก็เอาทั้งสองคนนั่นเดินทางกลับมาถึงห้วยเสือร้องที่นี่ตอนบ่ายๆทุกคนที่นี่น่ะแทบไม่เชื่อสายตาฝรั่งทุกคนดูใจดีใจเหมือนตายแล้วเกิดใหม่เชียโบเมียตอบชยันมองสบตาเชฐาิฐา พึมพำออกมาเบาๆว่าหืมไหนที่สุดระพินก็คือระพินน่ะนะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยสําหรับคนคนนี้เขาเป็นมือระดับปรมาจารย์จริงๆในด้านนี้เออและทั้งสองคนที่ตามกลับมาได้เน่ะยังอยู่ในสภาพเรียบร้อยดีเหรอเขตหาถามครับแม่มผมทองกับนายทหารก็ไม่ได้บาดเจ็บอะไรมากนอกจาก มีรอยฟกช้ดำดําเขียวถลอกบอกเปิกบ้างเล็กน้อยและทั้งสองคนก็เก่งมากที่สามารถค้นหาทางออกได้เองนายราพินตามไปเอาตัวกลับมาหลังจากที่ทั้งสองคนหาทางลอดออกมาจากใต้ภูเขาได้แล้วเป็นคําตอบซื่อๆของโบเมียเอาละครับตอนนี้เราก็ได้คําตอบทั้งหมดอย่างกระจ่างแจ้งที่สุดแล้ว ตรงบริเวณภูเขาถล่มอันเป็นปัญหาของฝ่ายเรามาตลอดนั่นมีใครก้องใจจะถามอะไรเพิ่มเติมอีกไหมอนุชากำลังจะเข้าหาบทสรุปเธอกนานอินไทยถูกอยู่ข้อหนึ่งนะคือการเดินทางจากยอดศักดำมายังห้วยเสือร้องนี่ระพินไม่ได้เป็นฝ่ายนำมาแต่ให้เกิดกระเสริเป็นคนนำอเมริกันทั้งสามคนกับพักพวกล่วงหน้ามาก่อนในขณะที่ตนเอง บุญคำแล้วก็จันย้อนกลับไปค้นหาสองคนที่หายและติดตามมาสมทบทีหลังเราอยากรู้แน่นอนว่าเมื่อทั้งหมดมาถึงที่นี่โดยปลอดภัยกันทุกคนแล้ว <c oughs> เขาพักกันอยู่ที่นี่กี่วันก่อนจะเดินทางเข้ามาเขตนรกดําพวกนั้นพักอยู่ที่นี่แค่คืนเดียวเองแล้วก็เดิอนออกเดินทางในตอนสายๆครับสอกอเล่เป็นผู้บอกในคราวนี้ จากฐานะนายบ้านที่นี่วันที่นายรพินนำสองคนที่สูญหายมาถึงนั่นแต่ก็นอนสลบสไลดไปตลอดครึ่งวันมาตื่นตอนใกล้คำ่ำพวกนั้นบอกว่าเสียเวลากันมามากแล้วเลยไม่ได้อยู่ที่นี่นานพักแค่คืนเดียวสายวันรุ่งขึ้นก็ออกบ่ายหน้าเข้านรกดำเลยพวกนั้นไปกันเป็นวันที่สามแล้วเมื่อพวกของเจ้านายมาถึงที่นี่ เทถารีตาคำนวณอยู่ในใจแล้วสรุปได้ทันทีกระพักพวกทุกคนอืมขณะที่ราพินมาถึงที่นี่พวกเราอยู่ในเขตป่าหินโป่งน้าร้อนนนทพวกเขาเสียเวลากันมาทุกระยะเลยแหละตลอดเส้นทางที่เห็นชัดๆก็เข้าไปสี่วันละคือที่ป่าภัยหนึ่งคืนตอนที่พบพวกเสอเอิงที่ตะเคียนทองก็เสียเวลาถึงสองคืนติดติดกันโดยพักอยู่ที่นั่น แล้วก็มาที่ยอดศักดำอีกคืนนึงเลยทำให้ฝ่ายเรากระชั้นเวลาไล่หลังใกล้เข้ามามากทีเดียวแม้ว่าจุดเริ่มต้นที่หนองน้ำแห้งนั่นเขาจะออกเดินทางล่วงหน้ามาก่อนถึงเจ็ดแปดวันก็ตามพี่ชายใหญ่เว้นระยะมองไปทางพรานชดและหนานอินพร้อมกับยิ้มยิ้มน้องชายกลางดีดนิ้วโดยแรงพูดสั้นๆว่ามันก็น่าจะมีหวังตามทันระหว่างทางนะครับ ถ้าไม่มีอุปสรรคอะไรสำหรับฝ่ายเราจากการสอบถามของหนานอินถึงอูถะและพะโตก็ได้รับคำตอบจากพวกนั้นทุกคนว่าสองกระเรียงจากตะเคียนทองคู่นั้นอาสาเป็นลูกหาบติดตามไปกับคณะของระพินด้วยเป็นการทดแทนให้แก่ลูกหาบสองคนอันมาจากหนองน้ำแห้งซึ่งเสียชีวิตไปโดยฝีมือของไอ้ผีดิบมันไร คู่หาบจำนวนห้าคนห้าคู่สิบคนก็เลยไม่ขาดส่วนสเสือเงนะินความจริงก็อยากจะติดตามไปด้วยเพื่อเป็นการสนองคุณแต่ก็ติดขัดที่ตัวเองยังเป็นผู้เจ็บป่วยอยู่จึงปล่อยให้เพื่อนทั้งสองคนไปแทนตัวเองก็ต้องรักษาตัวอยู่ที่ห้วยเสือร้องซึ่งบัดนี้กลายเป็นชมรมใหญ่ของชาวกระเรียงสองหมู่บ้านอันถูกระพินกวัดต้อนให้เข้ามาอาศัยอยู่ร่วมกันเพราะหมู่บ้านตะเคียนทองนั้นร้างไปซะแล้ว จากคดชัยอันเกิดจากอิทธิริตรังควานด้วยมายามืดของมันไรนี่ถ้าพรุ่งนี้เราออกเดินทางก็แปลว่าเราจะไล่หลังเขาสามวันอนุชาบอกกับทุกคนซึ่งมาทราบความจริงเช่นนี้ก็ล้วนแต่เต็มไปได้วยความหวังยิ่งขึ้นระหว่างที่ทุกคนกำลังนั่งสนทนากับพวกนั้นต่อไปเพื่อจะสอบหารายละเอียดอื่นเพิ่มเติมให้มากที่สุด ดารินก็ลุกขึ้นเดินมาสกิดไหลสะเอิงบอกเบาๆว่านี่ซะเอิงตามฉันมาทางนี้หน่อยทีแล้วหล่อนก็เลี่ยงออกจากหมู่นั่งอยู่ใต้โคนต้นไม้ต้นหนึ่งห่างออกไปเล็กน้อยดีดนิ้วเรียกนันอินให้เข้ามาทำหน้าที่เป็นล่ามให้ด้วยถ้าหากว่าหล่อนจะพูดหรือฟังสะเอิงไม่ถนัดนักในเรื่องที่จะสอบถามเป็นการส่วนตัวตามลาพัง พี่ชายกับเพื่อนต่างช้ำเลืองมองตามแต่ก็ไม่ขัดขวางหรือเอ่ยทักท้วงอะไรเพราะเข้าใจดีแล้วว่าน้องสาวคนเล็กคงมีเรื่องที่จะคุยกับสเสือิงมากมายนักจึงจับกลุ่มคุยกันอยู่ที่เดิมพอนั่งลงใต้โคนไม้ใหญ่สเสือิงก็บอกมาเหมือนจะเปรย์ว่านายหญิงตายต้นไม้ต้นนี้แหละที่นายรพินมานอนสลบสลายอยู่คนเดียว แยกจากพวกนั้นหลังจากที่พาวทหารและแม่มผมทองมาถึงที่นี่แกหลับเป็นตายไปจนย่คำค่ำก็คงพราะเพรียนหนักและดารินเบิกตานิดหนึ่งมองดูตำแหน่งที่สเสื่องชี้บอกและนิ่งอึงไปชั่วขณะ